ของเราอ่ะนะแต่ว่าธรามชาติคนเราเวลาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของกุญ่จเขาดีกว่าของเราเสมอและนี่อาจจะเป็นปัญหาของคนที่มาปฏิบัตินะตั้งแต่วันแรกๆนะทีแรกเราก็เลือกตรงนี้แหละนะแต่พออ่าเดินไปเห็นอตำแหน่งของคนนั้นคนนี้ตรงป่าไผ่บ้างหรือว่าตรงหินโค้งบ้างเออมันดีกว่า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 คุณค่าของตัวเรา ม, ม่อยู่ที่ว่างานนั้นเป็นงานอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราให้คุณค่ากับงานนั้นแค่ไหนถ้าเราให้คุณค่ากับงานนั้นงานนั้นก็จะให้คุณค่ากับเราถึงแม้จะเงินเดือนน้อยหรือว่าสายตาคนอนจะมองว่ามันเป็นงานที่ต่ำต้อยก็ตามในธรรมอเดกันเนี่ยเมื่อเราจะให้คุณค่าให้ความอายอมรับนะในสถานที่ที่เราเลือก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 ก ร, กระสับกษส่าก็อยากจะไปนะไปพูดคุยนะจะเป็นเพราะ <_ C 1> เพื่อมันไม่ <_ C 1> เพื่อหายง่วงหรือเพราะว่า <_ C 1> เพื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วขอให้หลีกเลี่ยงนะการไปคุกค r ี e พูดคุยกันะอีกอย่างนึ่งคือว่าการตัดต้นไม้หรือการตัดสมุนไพรเนะี่ยที่นี่เราก็อนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์สมุนไพร